จริงกับ่างกายของเราประกอบไปด้วยอินทรีย์ประสาทประสาทรอบนอกเรานี้ทําหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่องทั้งหลับทั้งตื่นครับนั้นความรูส้สึกสดๆซึ่งแผ่ในะเขตบริเวณกว้างขวางที่สุดนเนี่ยนจะทํากิจของมันอย่างจับไวและเป็นไปเองเนื่องจากตั้งแต่อ้อนได้ออกมาแล้วนะครับเราถูกฝึกปลื้มให้คิดแล้วเราก็หยุดมันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะใช้ความคิดหรือ เข้าไปควบคุมความคิดได้คือหมายความว่าเราควบคุมตัวความคิดไม่ได้ดังนั้นเมื่อมาถึงวันหนึ่งเมื่อเกิดอุปนิสัยที่ชอบเข้าไปในความคิดแล้วเราก็เจอปัญหาใหญ่อย่างตัวอย่างเราเห็นว่าในขณ่เรานอนไม่หลับกลางคืนนะครับดูเหมือนว่าความต้องการที่จะหลับสวนทางกับความความเป็นจริงเรายิ่งพยายามทําตัวเองให้นอนหลับแล้วยิ่งนอนหลับไม่ได้ครับ น, นความสลักสำคัญตองความรู้สึกตัวนั้นโดดเด่นอยู่ในตัวมันเองการเจริญภาวนาที่ผมคิดว่าที่จะได้ผลจริงๆนะครับต้องเริ่มต้นตรงความรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวนั้นได้เคลื่อนไหวอยู่บนกิจกรรมการงานที่เป็นจริงในชีวิตส่งนกาหลบหลีกไปอยู่ป่าอยู่ถ้าหรือสแสวงหาความสงบชุกครั้งทุยามนันผมคิดว่าไม่ใช่หนทาง แต่เป็นการทบสอบตัวเองได้ครับคิดว่าข อ, อยุติเท่านี้ครับก็ได้มีคำถามก็ได้ก็เป็นการมองจากพระสูตรในในแนวของผมสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ท่านมองว่าพระสูตรบอกว่าเดิมมนุษย์เป็นแสงสว่างแล้วก็มีอะไระอะไรลำดับเรื่อยมา แล้วก็เกิดความคิดว่าไอ้เวลานี้แสงสว่างมันยังอยู่หรือไม่นั่นมันก็เป็นการเป็นการต่อเป็นการต่ อ, <ด>อความคิดของเราออกจากพระสูตรที่จากพระสูตรอันหนึ่งที่ผมทราบคือตอนพระพุทธเจ้าให้ อ, อ, อ, อวบ้ากับสาวกตอนที่สาวกจ ะ, จะตอนจะสรงสาวกไปประกาศศาสนาสมมติว่าออประกาศธรรมไปทำนองพูดแบบ เอาใจความนีฮยประทับประกาศทำไปเถิดคนที่ในดวงตาเขามีกิเลสเบาบางถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมอันนี้เขาก็จะเสื่อมไปจากความดีไอไอันเนี้ยผมคิดว่าถึงแม้จะไม่จะมีาศาสดาหรือไม่ข้อตามมนุษย์ก็ยังจะแบ่งเป็นพวกกิเลสเบาบางกิเลสกบางกลางกิเลสหนาอยู่นั่นเองครับแลผมผม มีความออกมาในลนนักษณะนี้จะมีสาธาหรือจะไม่มีสาธามนุษย์ก็ถ้าจะเอาสถิติเข้ามาจับเอาง่ายๆแบ่งเอาเป็นสามขัวกกับพวกกิเลสเบาบางหยิบมือนึงกิเลสกลางมากแล้วก็กิเลสหนาอีกหยิบมือหนึ่ ง, ง, ง, ม, ม, งมันก็จะออกมาในรูปอย่างนี้ครับผมจะอันนี้ก็เป็นการว่าผมมองออกมาในลักษณะ น, นี้ นี้ปัญหาใหญ่ถ้ามองออกมลนาลักษณะนี้มันจะอยู่ที่ว่าเอ่อมันสอนกันไม่ได้นอกจากคนนั้นจะมีกิเลสเบาบางถึงจะเอาประโยชน์จากคําสอนได้เหมือนกับเราที่อยู่ที่นี่กลุ่มนี้ก็หยิบมือเดียวในในกรุงเทั้นกรุงเทพก็ อ, อาจจะมีตามวัดต่างๆแต่ละหยิบมือแต่ละหยิบมือก็อยู่นั่นเองก็ก็เป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้เป็นการมองมองอีกแบบหนึ่งครับครับ จริงๆคำว่ากิเลสบาบางนะครับไม่ได้หมายถึงว่าอะไรอื่นครับเราสามารถที่ทํามันตัวเองเบาบๆได้ด้วยคําว่าประเภทไม่ได้หมายถึงแบ่งชัดเจนแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จริงแล้วจริตทั้งหกที่ว่านั้นเรามีทั้งหกกันนะครับีบางคนอาจจะแยกว่าเป็นคนนี้เป็นพุทธจริตคนนี้เป็นโมหจริตจริงๆมีทั้งทุกจริตนะครับ ภพราะว่าความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวครับและบางขณะบางช่วงจิตแสดงธรรมชาติของความประพัดสอนออกมาจิตใจแช่มชื่นอย่างแปลกประหลาดผมไม่เชื่อว่าโจรจิตใจจะอมหิตตลอดเวลาหรือนักโทษอาบยาวกรที่อยู่ในคุกขณะที่เขากำลนั่งสารพุ่งกี่อยู่กลางแสงแดดจิตใจอาจจะแช่มชื่นออมานาแต่โอกาสอาจจะน้อยลงเพราะว่าเขาก่อกรรมไว้มาก ก่อเกิดวิบากปิดบังแต่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับเมื่อภาวะที่เป็นจบเหมาะ เ, าเข้าโดยความน่ามหัศจรรย์ของธรรมชาตินะฮะเช่นเดียวกับทะเลครับทะเลบางวันนี่ขุ่นมัวบางวันนี่ใสกนะ็อย่างน่าประหลาดทีเดียวจิตใจของมนุษย์ก็ไม่ได้ตายตัวนิ่งอยู่แต่บางขณะบางช่วงได้แสดงธาตุแท้ที่ผมเรียกเอาพัดสลพรมนะเรื่องแสงขึ้นมา เข้มชื่นกันมาอย่างร้ายเหตุผลอย่างเนื้อเหตุเหนื้อผลที่เด็ด น, นั่นคือสิ่งผมเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับว่าทั้งหมดนี้ขึ้นจากการสังเกตเข้าไปในตัวเองไม่ช้าไม่นานเราจะเรียนรู้เอาธรรมชาติของชีวิต จ, จิตใจส่วนตำรานั้นเราก็เรียนบ้างครับแต่แท้ทีจริงถึงไม่เรียนเลยก็ถ้าเราระดมความสังเกตเข้าไปในตัวเราเราก็จะพบทางออกได้ตามธรรมชาติเห็นด้วยที่ว่าเมื่อกี้นะครับท่านเจ้าท่านตรัสว่า จริงท่านตรัดไว้ดอกบัวสมเหล่าเท่านั้นนะครับอาจารย์รุ่นหลังมาเติมเหล่าที่สี่ให้เป็นพวกเหยื่อเต่าปลาเนแต่ที่จริงอาจารย์ที่เติมเนะี่ยผมว่าท่านก็มีเหตุผลสามเหล่านั้นที่พระเจ้าท่านเหล่าที่ท่านเพ่งเล็งหนักที่สุดที่จะช่วยก็คือผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยแต่เราอื่นก็สามารถทําให้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยได้ครับดังนั้นการเจริญวิปัสสนานั้นมีตั้งหลายระดับ บทีเลืยกดรุณวิปัสนาเรียก ว, วิปัสนาอ่อนๆก็มีนะครับเมื่อเรากระทำให้วาสนาของเราก้กาวขึ้นทางธรรมคือความขยันขันแข็งที่จะรู้สึกตัวขึ้นในสุดความหนาความทุบก็ค่อยๆกลายเป็นความทุเราเบ า, บาๆขึ้นเราพร้อมแล้วเหมือนดอกบัวที่ ท, ที่รอแสงแดดเท่า น, นั้นเองอย่างคนั้งสมัยพุทธกาลนะครับที่เจอพระุทธเจา้าผมคิดว่ากิเลสมนุษย์ก็ไม่ได้แตกต่างคอัสมัยของเรา แม้สิ่งแว่ร้อมของเราในยุคนี้อาจจะมีสิ่งยั่วยุมากก็จริงแต่โดยธรรมชาติความเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้แตกต่างมากมายนะคนบางคนได้สดับได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้แจ้งแต่พร้อมกนนั้นออกติดตามอยู่หลายปีอย่างวเทวทาตุก็ไม่รู้ครับมันขึ้นกับอะไรบางสิ่งในตัวชีวิตของของเขาเองความสำนึกการปรับตัวและที่สาคัญที่สุดคืออุปนิสัย เมื่อสร้างอุปนิสัยของความรู้สึกตัวให้บ่อยขึ้ น, นจนกระทั่งรักที่รู้สึกตัวตรงนี้สําคัญมากครับตามที่ผมเข้าใจนะครับคนทั่วไปรักที่จะไม่รู้สึกตัวครับคือได้ลืมลืมตัวนะ้ํามันไปเลยไปดูในสนามมวยนะครลุกขึ้นวะทำท่ า, ทาเทียมวยนี่ในสนามกีฬาเรามีสิ่งที่ชวนไม่รู้สึกตัวเนี่มากแต่ถ้าเรามีอุปนิสัยหรือเราสร้างอุปนิสัยได้คือรักที่รู้สึกตัว เมื่อเกิดความรักที่รู้สึกตัวแล้วนี่มันจะทุเลาบาบๆงครับพร้อมที่จะฟังธรรมพร้อมที่เข้าซึ้งถึงไอ้รสของพรธรรมได้รสของพระธรรมนั้นไม่อาจซึ้งด้วยลิ้นหรือด้วยหูนะครับแต่ซึ้งเพราะมันเกิดทุเลาบาบางกันในตัวเองพอได้ยินถ้อยคําสักคําหนึ่งเรื่องราวในตํานานอดีตก็มีนะครับอย่างเรื่องพิษดารในเมืองจีนพระพิทธสูนรรูปหนึ่ง บรรลุธรรมสูงสุดเนื่องจากเสียงเพลงของของหญิงเสิร์ฟในโรงแรมแห่งหนึ่งหรือถ้าเดินกลับจากวัดซึ่งไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้กรรมฐานให้ข้อคิดข้อสังเกตว่าให้เจ้าทำในใจว่าเจ้าไม่มีจิตจิตไม่มีถท่าก็เดินกำหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้มาบังเอิญมาผ่านหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ผู้หญิงเอเ อ, อผู้หญิงนักร้องคนหนึ่งก็าร้องเพลงเกี่ยวกับผู้ชายครับเขาบอกถ้าเธอไม่มีใจต่อฉันเราก็สิ้นสุดกันแต่ว่าพระพิสูุรุมนั้นฟังไปเรื่องหนึ่งเลยเขาเข้าถึงสัตยธรรมว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อไม่มีใจทุกเรื่องกระจกดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับว่าสิ่งแวดล้อมโดยตรงที่ทเดียวครับขึ้นกับภายในมากกว่าโดยโดยสรุปแล้วคือเราสร้างอุปนิสัยรักที่รู้สึกตัว ทีนี้คำถามเนื่องไปว่าทํายังไงจึงรักผมตอบไม่ได้ทําไงจึงให้รักความ ร, รู้สึกตัวนี่คําตอบยังยืนกานว่าก็รักความ ร, รู้สึกตัวรักที่รู้สึกเมื่อเราผัดข้าว ส, าาสักผ้าอยังมัวแต่ซักผ้าอยู่เพราะวซักผ้ามันเป็นงานแสนเนหนื่อยนะแต่ทันใดที่เรารู้สึกขนาะที่เคลื่อนมือขณะที่ถูพื้นเนี่ยในขณะนั้นเราไม่เบียงแต่เช็ดพื้นให้สะอาด พืมใจเราจะสะอาดเป็นเบ็ดเสร็จไปเลยครับงานธรรมดาลโลกนี้เองครับกลายเป็นกรรมก า, การก า, การภาวนาชั้นสูงสุดได้ดังตัวอย่างของพระจุลปันถกเคยได้ยินไหมครับว่าท่านเป็นผู้ที่บวชเรียนแล้วก็ด้วยศรัทธาครับแต่ว่าเป็นคนโง่จนพี่ชายชื่อมหาจุลถกเนี่ยขับไล่ให้ให้ศึกหาลาพเพราโง่นะัก ท่องคาถาบาทเดียงไม่จบสี่เดือนเลยจำไม่ได้คือท่านความจำไม่ดีว่าไ น, นแต่อาศัยปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกแล้วยังรู้อุปนิสัยของสัตว์อันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธองค์ตอนยืนภาคีร้วให้จุลปันธก บ, บอกให้เช็ดพื้นเคลื่อนมืออย่างนั้นแล้วให้สกัดขั้นวิตกวิจารณ์ที่เป็นความคิดอยู่ข้างในด้วยพระคาถา ฐานนั้นมีว่าละโชฮะระนังละชังฮระติแปลว่าภาคิริวเช็ดพื้นกดเช็ดพื้นซึ่งเป็นเรื่องเหมือนกันเด็กเล่นแต่ว่าผลที่ปรากฏกับพระจุลบันทกนั้นอัศจรรย์มากครับโดยบายที่อย่างรู้อุปนิสัยของจุลบรรทกเพียงเย็นวันนั้นนะครับเพียงวันเดียวเท่านั้นตามเรื่องเราว่าพระจุลบรรทมก็ถึงที่สุดทุกสิ่งนี้ผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นเรื่องเกินนิสัยหรือเป็นเรื่องนิทานหลอกเด็ก ผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงทีเดียวตามที่ผมรู้สึกนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องจริงอีกด้านหนึ่งของคนร่วมสมัยยุคนี้คือเราไม่ค่อยจริงกับเรื่องเหล่านี้เมื่อเราไม่จริงจังกับเรื่องอะไรนี้เราคิดว่าเรื่องเหล่านั้นไม่น่าจะจริงที่จริงเรานั่นเองไม่ค่อยจริงครับเข้าใจที่ผมพูดคือเราไม่ได้จริงจังกับเรื่องเหล่านี้นั่นคือเราอ่านเราคิดว่าคนโบราณคงเขียนไว้อย่างนั้นอย่างนั้นผมกลับไม่คิดอย่างนั้นน่าเอกใจตรงที่ว่าทําไมนะ เด็ก12ขวบที่เมืองอารวีนะครับสามารถเข้าถึงธรรมได้พระเจ้าสเสด็จไปที่เมืองนั้นแล้วก็เด็กคนนั้นมีอาชีพทอผ้าทอหูครับ mm hmm. เคลื่อนก็เคลื่อนไหววัย ว, ว, วะอยู่แล้วครับพระเจ้าก็สั่งสอนเขาแล้วอีกสองปีให้หลังท่านเสด็จมาอีกหนึ่งทรงนั่งที่ศาลาธรรมศาลากลางเมือง mm hmm. ชุมชนอินเดียครั้งโบราณเขาจะมีธรรมศาลาครับที่ที่ให้นักพลดนักบวชต่างนิกายมาสั่งสอน ว่าอินเดียเป็นชุมชนศาสนาผู้เจ้าประทับนิ่งอยู่แล้วไม่ไม่ไม่พูดเพราะว่าพระองค์ทรงรอเด็กคนนี้ว่ากันว่าพระองค์ท่านอย่างรู้อุินิสัยว่าจะถึงที่สุดทุกในวันนั้นเด็กคนนี้รู้ข่าวว่าผู้เจ้าเสด็จมาก็รีบเร่งทำงานใหญ่นะให้เทแต่วันแล้วเสด็จมาแล้วมีการไต่าถามชนิดที่คนฟังไม่รู้เรื่องเช่นยกตัวอย่างผู้เจ้าถามว่าเธอมาจากไหน เด็กคนนั้นบอกว่าไม่รู้เธอจะไปไหนไม่รู้พระเจ้าข้ า, าเธอไม่รู้หรือรู้อยู่ถามว่าเธอรู้หรือไม่รู้คนฟังงงแล้วก็โกรธเด็กข้าว่ากวนโทสะข้าว่ า, วาพูดละเล่าลวงจูงจับพระพุทธองค์จริงๆเป็นรหัสที่สองคนรู้กันครับรู้กันในสุดพระเจ้าขอร้องให้อธิบายที่สุดของเทศนากันนั้นเด็กคนนั้นเข้าถึง เข้าถึงธรรมว่างกันนลครับสิ่งนี้ผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นเรื่องนิทานคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเขาเขียนเล่าสนุกสนุกผมคิดว่าเหตุที่เราห่างเหินเหตุที่เราไม่เข้าใจใระบบปฏิบัติที่เป็นเองในวิถีชีวิตประจำวันของเรานั่นเองเป็นเหตุหลักเราพลาดไปเข้าใจว่า ถ้าจะเข้าถึงธรรมชั้นสูงเราต้องออกบวชเราคิดอย่างนั้นจริงๆนะเราต้องออกบวชเราต้องทุดงเราต้องกินมือเดียวหรือกินหญ้าไปเลยบางคนคิดอย่างนั้นที่ทิเบตก็คิดอย่างนั้นนะมีหลายรูปไม่กินข้าวเลยกินหญ้าเพราะคิดไปว่าการฏบัติธรรมะขึ้นกับรูปแบบการตกลงในทางรูปแบบจะใช้ชีวิตอย่างนี้ที่จริงเกี่ยวสติเท่านั้นครับมีเศรษฐีบางคนรู้ธรรมะ เพราะมันไม่ขึ้นกัว่ารวยจนหนึอผู้หญิงหรือผู้ชายนางพิสาขาเนี่เป็นรรยะบุคคลนนะในขณะที่พระภิกษุสงฆ์เข้าไม่ถึงก็มีและที่เมืองโกสัมพีถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเมืองนั้นสาวกพระเจ้าที่เป็นครุหัะเป็นพระอริยบุคคลมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเงื่อนไขจำกัดในทางเทศออกบวชหรือไม่นี่ บ้านบางเราเนี่ยเมื่อพุทธศาสนามาถึงแล้วมันถูกกระทำไม่เชื่อว่าพระเท่านั้นอยู่ใกล้ธรรมะผมก็เห็นตรงข้ามเลยผมอาจจะมีอคติอยู่พระหน่อยมีคนพูดกันว่าพระเลวเวนั้นน้อยพระดีมีเยอะผมเห็นตรงข้ามเลยผมคิดว่าพระดีมีน้อยอันนี้จริงจริงผมไม่ได้เห็นด้วยเอกเทศนะครับผมเห็นในสมุดข่อยโบราณสมัยกรุงเก่าเขาเขียนเป็นรูปพระเจ้านั่งอยู่แล้วมี ขวามือนี่มีพระภิกษุสามรูปถืออาวุธเข้าทิมแทงพระเจ้าซ้ายมนึงมีคริหัสหนึ่งคนถือดาบเข้าฟันพระเจ้าแสดงคนสมัยกุมเก่าเขาคิดออกเขาเห็นว่าผู้ทําลายพุทธศาสนามากที่สุดสามในสี่คือพระผมว่าเหตการบ้านเมืองมันฟ้องกั้นมาว่าผมไม่ได้ยุยงให้เกลียดพระนะะแต่ผมก็คงบอกว่าธรรมะไม่จากัดอยู่เฉพาะผู้บวชเท่านั้น มีข้อคิดประการเดียวครับที่บางท่านอาจจะ ก, กังขาอยู่ที่ว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วถ้าเป็นเครื่อหัดเจ็ดวันต้องออกบวชไม่นั้นจะตายเคยได้ยินใช่ไหมครับท่านคงเคยได้ยินจริงพระคำพีที่ยืนกลานเรื่องนี้มีแห่งเดียวคือมิลินปัญหาเท่านั้นครับในพระคมพีเมืนะ่งน้ํามากมายก่ยกองมียืนกลานอยแง่นี้ประเด็นเดียวในหนังสือมิลินปัญหานอกนั้นไม่มีครับ หลวเทียนจิตตวิโพาบอกว่ามันก็แน่อยู่แล้วว่าเจ็ดวันต้องต้องตายไหมวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มันต้องตายอยู่แล้วเออสาระสำคัญไม่ได้อยู่ตรงอื่นผมอยากให้เห็นสาระสาคัญขอการเจริญสติในชีวิตประจําวันสมดังที่พระเจ้านะครับได้ตอบคําถามของขรามและท่านเพียรพยายามวันสี่สิบห้ามันาเพื่อจะสื่อข่าวอันนี้ให้ถึงทุกคนเด็กหญิงที่สองขวบที่เมืองอารอวีก็ดี โจนมือชุ่มเลือดอย่างองคุลิมานก็ดีซึ่งไม่น่าเชื่อทั้งนั้นครับและสิ่งอันนี้นั้นไม่ใช่นิทานครับธรรมบทเป็นการผลงานสร้างสารรค์อันยอดเยี่ยมของพระพุทธโฆ ษ, ษาจารย์ที่รวบรวมหลักฐานแล้วมาประพันธ์ให้ไพเราะงดงามขึ้นไม่ใช่เรื่องแต่งครับไม่ใช่เรื่องไม่ขอโทษครับไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นหลอกลวงเพื่อให้เป็นสมบัติทางศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นครับ มีเรื่องมากมายครับดังพระจักกุบาลเรื่องของอัมพปาลีเรื่องของปตตาจาราเรื่องยอดโศกของพุทธศาสนาเนะเป็นเทรซิดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเล่าแถมพกนิดครับเพื่อให้ให้บรรยากาศให้ชัดเจนขึ้นว่าแม้แต่หญิงสติกําลังฟั่นเฟือนนะครับชวนชวนจะฟั่นเฟือนหรือฟั่นเฟือนแล้วอย่างปตตาจารานะหลายท่านคงไม่เคยอ่านหรือ หลายท่านคงเคยอ่านแล้วแต่ผมเล่าย่อครับพุทาจลาแอบหนีตามผู้ชายตัวเองหลงรักด้วยอำนาจของบุเพันิวาตนะฮะที่มาของบุเพศนิวาสอยู่ในในเรื่องราวเหล่านี้ก็หนีไปอยู่กับสามีตัวที่ชายแดนหนีพ่อนี่แม่ไปครั้นมีลูกคนที่สองก็คิดจะกลับไปขอเข้ามาเดินทางมาเคราะกรรมครับเคราะห์ซ้ำเติม ดินน้าไฟลมแพร่รวนเกิดพายุใหญ่คือหนึ่งฝนตกหนักอู๋เหาก็ฉกสามีตายครตัวเองก็อุ้มลูกคนหนึ่งจูงอีกคนหนึ่งมาถึงฝั่งแม่น้ำคงคานะครับก็เม่ข้ามยังไงน้ำมันเชี่ยวมากเพราะหลังจากพายุใหญ่ฝนตกหนักก็สั่งลูกคนโตให้รออยู่ฝั่งนี้แล้วตัวเองก็อุ้มลูกที่เพิ่งคลอดแบกขึ้นบ่าไป ไปวางไว้ฝั่งน้นแล้วก็รีบกระโจนน้ำกลับมาเพื่อเอาลูกคนหัวปีไปในขณะนั้นที่กระโจนมาครึ่งทางนะเหลียวหลังไปดูเหียวตัวหนึ่งนะครับเห็นเด็กอ่อนคิดว่าเป็นก้อนเนื้อก็โชบฝ่ายประลาชนตกใจก็ตบมือลูกที่อยู่ฝั่งนี้ที่แม่เรียกก็วิ่งลงมาในน้ำเลยตายหมดทั้งคู่นะครับ แต่จะลากลับถึงบ้านคืนนั้นพายุที่ว่าพายุหนักฟ้ภาผ่าบ้านพ่อกับแม่แล้วพี่น้องตายหมดภายในคืนเดียวครับสูญสลายทุกสิ่งทุกอย่างติฟันเฟือนเลยคับฟันเฟือนไม่รู้ตัวเรื่องผ้าเดินเข้าไปในเวรุวันนะที่พระเจ้าประทับคล้ายโลกนี้สิ้นลายแล้วครับผมอยากให้นักสร้างวัคคายอนสร้างเรื่องเหล่านี้มากคล้ายโลกนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือแม้แต่นิดเดียวเลยแหลกสลายแล้วครับอาลงุง ผู้เจ้าทรงอย่างรู้อุปนิสัยนี้ทรงรัดถ้อยคําที่เหมาะที่สุดจนสติคืนมาได้ความรู้ตัวนี่สำคัญเพตอะ น, นั้นปตาจราไม่รู้สึกตัวเลยว่าอะไร เ, เพราะว่าสิ้นร้ายทุกสิ่สงทรงคั ก, กว่าดูก่อนน้องสาวจงรู้สึกตัวเถิดน้องสาวมันไม่ใช่เพียงถ้อยคํามเชกระแสเสียงพลังในน้ำเสียงอะไรนี่นะผมเชื่อมันทำให้ปตาจลารู้สึกว่าโลกนี้มี ม, มีรัก มีเมตตามีพี่น้องอยู่ผู้เจ้าใช้คําว่า น, น้องสาวเลยนะดูก่อนพระคณีจงรู้สึกตัวเถิดก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนนั้นไม่ช้าไม่นา น, านกาลายเป็นผู้รู้ครับกลายเป็นอาราหันต์ที่ช่วยผู้หญิงที่โศกเศ ร, ร้าได้มากที่สุดเรื่องราวเหล่านี้ผมไม่อยากให้มองมันเป็นอภินิหารผมอยากให้มองเป็นชีวิตและความรู้สึกตัวและสติติความรู้สึกตัวและการตื่นตัวขึ้นพราะเมื่อมีมสติแล้วนะมันจะเห็นกลไกลของจิต จิตคิดก็รู้ครับโกรธก็รู้เกลียดก็รู้มันจะรู้หมดรู้สิ้นรู้ท่วนกันมาในขณะที่สมถะนั่งสงบนิ่งไม่รู้อะไรเลยครับรู้อย่างเดียวคือสงบสบายแต่ไม่รู้อย่างอื่นเลยมีเรื่องที่ชวนกบคิดว่าศาสนธรรมนั้นมันอยู่ในชีวิตประจงวันจริงๆของเราได้ดีอย่างใดไหมครับ้อยกรณีในธรรมบทบอกเราว่า ผู้คนที่ใส่ใจเรื่องนี้จริงๆเพียงได้ยินประโยคนสองประโยคอย่างพระพายะจุลปันถก ท, ที่ผมเล่าแล้วนะครับพระพายะนี่ฝรั่งก็เอาไปแต่ง น, นิทานเรื่องกามณิทวาสีนะครับที่จริงท่าเป็นอัลหรหนะครับแต่ตามเรื่องการมณิทในการเด็กนึกพระเจ้ากําลังบินบาตรพายะจับข้อเท้าแล้วบอกว่าขอให้สอนธรรมะให้สั้นที่สุดนะเนี่ย ว่าทำยังไงแน่ <ừ. S 1> พระเจ้าบอกว่าเมื่อใ ด, ดาตากระทบลูกสักแต่เห็นนะนะสักแต่รู้สักแต่ยินอะไระ <ừ. S 1> เมื่อ น, นั้นตัวเธอจะไม่ปรากฏคือความคิดในเรื่องตัวเองนี่ครับในทวผู้สาวฝรัง่งมายว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับตัวเองที่โลดลั่นมาในอดีตไปแน่นักวมันมจะหยุดมันจะจบสิ้นลงนั้นเหมือนเทียนดนับ <ừ. S 1> เหมือนเทียนซึ่งค่อยคหมดหมดไข คมรู้สึกว่าเราเป็นเรานี่มั น, ม, นมันสร้างนี่เองครับเมื่อเรายืนต่อหน้าแม่เรารู้สึกเราเป็นลูกยืนต่อหน้าลูกเรากลายเป็นแม่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมายากลครับมันเป็นโลกของความคิดทีนี้พอความรู้สึกตัวสูงเข้าสูงเข้าไอ้ตัวนี้ถูกทําลายทันทีครับมันเหมือนความมืดอยู่ไม่ได้กับแสงสว่างก้อนน้าแข็งทนไม่ได้กับความร้อนรู้สึกตัวมากไอ้มายาภาพในครองที่จะดับจางไป บุคคลผู้ภาวนาะเช่นนี้จะรู้สึกตัวเบาขึ้นปลอดโปร่งขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วมีกําลังใจยิ่งขึ้นครับแต่ว่าถ้าความรู้สึกตัวนี้อ่อนลงมันจะฟั่นเฟือนครับปตาจะลานี่ฟั่นเฟวอแล้วตอนนั้นเพราะว่ากระทบกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนคืนเดียวสิ่งที่เป็นที่รักที่หัวแขนมันตายหมดเลยจนรู้สึกตัวเองไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วแต่ด้วยถ้อยคําที่กระทบ ทรงส่งกลับเรียกพิเศษว่าน้องสาวด้วยกระแสของเมตตาของความปรานีนี้ทําให้ปตาจราาเริ่มฟื้นความรู้สึกตัวและมีความหวังขึ้นครับต่อจากนั้นก็เริ่มภาวนามีหนหนึ่งในชีวิตของเรานะครับที่เราจะไม่รู้จักว่าความรู้สึกตัวีมีคุณค่ามหาศาลเพียงใดความรู้ตัวธรรมดาเนี่ยมันเป็นอ น, นัคะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าคือมันตีเป็นบาทเป็นสตังไม่ได้ครับ มันไม่มีคิดเป็นดอลล่าร์ก็ไม่ได้เป็นบาทก็ไม่ได้ความรู้ตัวนี่นะครับแต่ถ้าวันไหนเราสูญเสียมันเช่นฟั่นเฟือนไปเราจะรูท้ทีเราสูญสิ่ง ส, สาระสำคัญที่สุดในชีวิตนั้นจากรากฐานความรู้สึกตัวง่ายๆเมื่อกลิ้ตาเมือ่อหายใจเข้าใจออกเมื่อเคลื่อนมือเมื่อจับต้องสิ่งของเมือม่อดูเมื่อฟังความหาตรจรันอยู่ตรงนี้ครับ ในโลกนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากครับหลายครั้งข่าวก่อนผมเคยพูดเรื่องบรมกุโทโธบ้างพีระมิดบ้างนะในพระสูตรก็บอกไว้ว่าทัศนานุตริยาสิ่งที่เห็นที่เลิศเหนือาการเห็นอื่นใดนะครับเช่นการเสด็จของพระจักรพรรดิเป็นทัศนานุตริยาการเห็นที่วิเศษเห็นพระปัจเจกพุทธะเห็นพระเจ้าเห็นพระสาวกองพระเจ้าข้อสุดท้ายการเห็นในริยาสัตเป็นทัศนานุตริยา การเห็นแจ้งต่อทุกและการมันดับไปต่อหน้าเนี่ยเป็นการเห็นยอดเยี่ยมที่สุดยิ่งกว่าเห็นพระหันยิ่งกว่าเห็นพระเจา้าฮรแต่ต้องเห็นที่ตัวเองครับทีนี้การดับตัวนี้ผมอธิบายตามภาษาตามประสบการณ์ตัวนะครับว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปในความคิดมันทุกทุกทีครับนอนอยู่บนเตียงนอนก็ตื่นเช้าพอเข้าไปในกระแสพวกเริ่มเอาแล้วไม่รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์แต่พอรู้ตัวพอมันหลุดออกมาเห็น เออมันไม่มีทุกมันเห็นหลับๆอย่างเนี้ยครับมันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรที่เราต้องท่องบนจําแล้วมานั่งขบคิดว่าอะไรเป็นเหตุของทุกอตัญหาเหตุตัณ ห, ห, หามีอวิชชาเป็นยคิดอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งทุกข์ครับยิ่งเรียนธรรมะแบบนี้ยิ่งเรียนยิ่งปวดหัวหนักขึ้นี่แต่ต้องเรียนที่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมากๆครับปฏิบัติธรรมะต้องรู้สึกตัวมากๆแล้วก็ ระมัดลวังอย่าเข้าไปในความคิดแต่พร้อมกันนั้นอย่าหยุดความคิดการหยุดความคิดเป็นความเข้าใจผิดความคิดเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของที่สําคัญของชีวิตเป็นการงานของชีวิตเหมือนแขนนะครับมันเป็นอวัยวะของลําตัวเมื่เดินไปมันก็แกว่งใครสักคนหนึ่งเข้าใจผิดที่ว่าแขนมันรบกุงรังว่าเอาไม้ดามกับตัวให้นิ่งกลางพิการเลยครับอย่าลาคาญความคิดเป็นเงินขาด ปราศจากความคิดแล้วเราจะรู้ธรรมะไม่ได้ครับเหมือนก้อนหินดินม่นรู้ว่าอะไรไม่ได้แต่ถ้าเข้ามาในความคิดทุกครับดังนั้นมีประตูเดียวครับที่ว่าให้รู้ตัวอย่าเข้าไปในความคิดแต่จะหยุดความคิดคิดก็คิดไปไอรู้ตัวก็รู้ไปไม่ช้าไม่นานนะครับภาวะที่เป็นสองฝักสองฝ่ายจะค่อยๆกลมกลืนขึ้นแต่ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ สิ่งที่ผมพูดนี่น้อยนิดเดียครับเมื่อท่านเห็นเองแล้วจะพูดได้มากกว่านี้หลายร้อยเท่ากับตัวเองนะครับสิ่งสำคัญมากคืออย่าละเลยว่าโอ้ยตัวนี้เรากงผัดเข้าวจะมาเจริญนิพพานาทาไม่ทางนี้ยุ่งแล้วครับคนทั่วไปมักจะเป็นอย่างนั้นเวลาทะเลาะกันชายตกหน้ากันชายก็เรื่องการตกหน้าเวลาไปนั่งหลับตาภาวนาก็เรื่องการหลับตาภาวนาเราเล่นเอาเถิดอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ เราเครีธรรมะเป็นเรื่องทำอย่างหนึ่งชีวิตโลกๆเป็นอย่างหนึ่งลองไปเกิดหลอมสองโลกนี้เป็นอันเดียวกันฮะแล้วผมไม่เชื่อเลยว่าถ้าเราปฏิบัติในการงานประจำวันไม่ได้แล้วจะไปทําได้ในวัดทัศติเกิดไม่ได้ในบ้านในวัดก็เกิดไม่ได้ครับดังนั้นในห้างสรรพสินค้าก็ดีนะครับที่ป้ายรถเมล์ก็ดีในเครื่องบินก็ดีในเรือก็ดีนะี่เราตื่นตัวขึ้นจะหนักรู้ขึ้นมาน ว่าสิ่งสําคัญในชีวิตเราก็คือการเดินทางภายในจะเป็นตัวชี้ขาดคุณภาพของชีวิตเพราะว่าเราเกิดมาทังทีนะต่อให้เราร่ํารวยมากๆเรามีชื่อเสียงแต่ผมเชื่อคนมีชื่อเสียงมากนี่เป็นทุกข์หนักจะไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ไม่ได้เห็นพวกดาราหลายคนก็เล่าให้ฟังครับบอกตั้งแต่ชื่อเสียงโด่งดังแล้วทุกข์หนักขึ้นไปนั่งอยังไหนคนมาลุมมาตุ้มัน ชื่อเสียงเงินอาจจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารู้สึกตัวนะครับแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วไม่มีอะไรดีเลยนะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็จะสูญเสียไปเมื่อเราไม่รู้สึกตัวเราเริ่มสูญเสียความรู้สึกตัวก็คือเริ่มสูญเสียสมดุลในชีวิตเมื่อเริ่มสูญเสียสมดุลในชีวิตคนที่รักเรามันก็มันก็เข้ากับเราไม่ได้แล้วเขาเข้าไม่ถึงเราเพราะเราไม่ปกติ หพรนั้นภาวะที่ปกตินี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากดูแง่หนึน่งปกติมันไม่ได้ไม่เสียอะไรเงินทองมันไมได้เพิ่มขึ้นแต่ความปกตินี่คือตัวชีวิตที่อยู่รอดมาได้นะครับดังนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบซึ้งมันเพียงแต่เรามาทราบซึ้งกับความรู้สึกตัวตามธรรมชาติธรรมดาเนี่นะมันค่อยๆเข้มขึ้นครับภาษาฝรั่งหน่อยนะครับว่ามันค่อยๆอยิลูมิเอตขึ้น เรื่องแสงขึ้นเพราะธาตุแท้ของจิตเดิมแท้ชีวิตแท้ๆมันเป็นประัสอนมันเป็นพัดสลพร ม, มนะครับมีแสงสว่างชนิดหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่ามันถูกบดบังด้วยด้วยกิเลสตัณหาความคิดมากมายกิเลสตัณหามาในความคิดครับคนคิดเดี๋ยวก็โลกคิดเดี๋ยวก็โลกลอยจะโลกเฉยๆโดยไม่คิดมันไม่ได้ครับแั้สิ่งอันนี้ค่อยๆมาห่อหุ้ม จกระทั่งภาวะประพัฒสอนไม่ทําหน้าที่ของมันใน่สุดเมื่อเราขยันที่รู้ตัวเหมือนก็บเราธรรมชาติแท้ของมันความรู้สึกตัวจะสว่างขึ้นเข้มข้นขึ้นมันจะร้องเรียกกันว่าสติจะเรียกกันว่าสมาธิจะเรียกว่าปัญญาไม่สําคัญอะไรครับเหมือนแม่น้ําเราเรียกแม่น้ําแควแม่น้ําพิงมันคือน้ำอะไนแต่ความรู้สึกตัวนี่ช่างแสนตลาดครับไม่มีใครที่ไม่มีความรู้สึกตัว แต่ว่าถ้าเราอยู่ในความคิดความรู้สึกตัวเป็นเพียงภาพสะท้อนในหัวของเรา